บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวนัยยะของคำกราบทูลถามปัญหาที่ทันโมกราชกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์จักมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามไม่ทันคือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายต่อไป พระเจ้ารับสั่งว่าดุกรร่อนโมกขราชเธอจึงมองโลกนี้เป็นของว่างและถอนาาหน้าตาโนทิธิคือความเห็นว่าตนและความเห็นว่าของตนออกไปเสียต่อแต่นั้นมัจุราชก็จะตาบไม่ทันคือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายต่อไปและนาาําอถารติบายแห่งพระพุทธดํารัดนั้นมาแสดงโดยดําดัก ข้อนี้เป็นการแสดงธรรมะที่มีเป้าหมายสูงสุดซึ่งท่านใช้คําว่ามีพระอระหันต์เป็นยอดคนถามมุ่งความหลุดพ้นอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงเป็นการแสดงถึงสถานะของพระอระหันต์ทั้งหลายโือเฉพาะสามประเภทได้ แ, แก่อรหันต์ัสมาสัมพุท ธ, ธะปะเจกพุท ธ, ธะและอระหันตสสาวกนั่น เป็นผู้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายอีกต่อไปตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความเกิดเป็นการยุติสังสารวัติคือการเวียนว่ายตายเกิดแต่ข้อนี้พึงเข้าใจว่าในส่วนวิบากขันคือร่างกายของท่านที่เกิดมาในชาติปัจจุบันของท่านแล้วก่อนที่จะ มันเป็นเพียรจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ท่านก็เป็นวิบากขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสและก็เกิดขึ้นจากกรรมเพราะฉะสิ่งเหล่านี้จับใดที่ยังเหลืออยู่จาบนั้นแก่ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องเปลี่ยนแปลงทุพพลภาพไปด้วยประการต่างๆและแม้แต่ผลกรรมเองก็ยังตามมาทันตราบเท่าที่ท่านยังไม่นิพพานคือท่านยังไม่ตายแต่หลังจากท่านนิพพานคือปรินิพพานได้แก่ดับทั้งกิเลสและดับทั้งขันธ์แล้ว ก็ไม่มีพบมีชาติอีกต่อไปประเด็นนี้เป็นประเด็นที่พึงสังเกตและมองให้เห็นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยโอหันในการแสดงนั้นเป็นการแสดงตามโอกาสนั้นๆในกรณีนี้ทรงแสดงผลตอนปลายคือความตายแต่ถ้าเรามองให้เป็นกระบวนการก็ต้องถามว่าความตายมาจากไหนก็มาจากความแก่ความแก่มาจากไหนมาจากความเกิดความเกิดมาจากไหน มาจากกิเลสและก็มาจากกรรมเพราะงั้นตัวการใหญ่จึงไม่ได้อยู่ที่ความตายแต่ว่าตัวการใหญ่กลับอยู่ที่กิเลสกับกรรมซึ่งเป็นตัวสร้างให้เกิดขึ้นถ้าสิ่งทั้งสองประการนี้ถูกทําลายไปความเกิดก็ไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏความแก่ก็ไม่ปรากฏและความแก่ไม่ปรากฏความตายก็ไม่ปรากฏ ดังนั้นในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทั้งหลายซึ่งชาวโลกกำลังประสบอยู่นั่นว่าจะทุกข์ในรูปแบบใดก็ตา ม, มก็ไม่ปรากฏแก่ท่านเหล่านั้นเพราะเริ่มต้นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นผลสังเกิดสืบเนื่องมาจากความเกิดทั้งหมดเมื่มีเกิดก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงความทุกข์ที่จําแนกแสดงออกไปมากมายไกลก่อนและจากหลักเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือศรัทธาในา หลักพระพุทธศาสนาชั้นสูงสุดคือเรื่องของมรรคผลนิพพานอันที่จริงถ้าบุคคลเชื่อมัน่นในการจัดสรู้ของพระพุทธเจ้าและจับหลักการสำคัญคือประยานทั้งสามให้ได้ในแก่บุพเพนวิวาสานุติยานพระราชพยานที่เป็นเหตุให้สูงละลึกชาติก่อนๆของพระองค์ได้ จูตูปปาตยานพระยานที่เป็นเหตุได้รู้ความแตกต่างกันของคนและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นไปด้วยอํานาจกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไว้ทั้งในช่วงยาวๆคือช่วงสังสารวัฏได้ในช่วงสั้นๆคือแต่ในแต่ละวันหรือสั้นกว่านั้นคือในแต่ละขณะจิตล้วนแล้วแต่เกิดมาจากเจตนาที่เป็นเหตุได้คิดอํานวยผลเป็นความสุขความทุกข์ได้ในขณะนั้นๆ พวกเหล่านี้เมื่อเราเหยียดออกไปมันก็กลายเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติเป็นหลายหลายชาติแต่ยังก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแต่ในชีวิตของบุคคลโดยไม่เสมอการแม้ในขณะเดียวกันเพราะอะไรเพราะกิเลสกรรมซึ่งเป็นตัวปรุงแต่งนั้นมีลักษณะและอารมณ์ไม่เหมือนกันหรืออาจจะบางครั้งเหมือนกันแต่ปริมาณไม่เท่ากัน ข้อนี้ตัวอย่างอาจจะมองได้ทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีว่ลักษณะของอารมณ์ที่มีเหตุปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งนั้นเช่นในกรณีของการฟังธรรมะในแต่ละขณะนั้นแม้เนื้อหาของธรรมะเหมือนกันขณะเวลาเท่ากันแต่คนฟังมีพื้นฐานที่เรียกว่าเหตุปัจจัยแตกต่างกันเหตุปัจจัยในอดีตคือการสั่งสมมบรมเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในอดีต ในใจจำนนคือความตั้งใจกาหนดระลึกกาหนดพิจารณาในขณะปัจจุบันนั้นแตกต่างกันเพราะนั้นจริงๆความรู้ซึ่งเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากความเจตนาจงใจฟังจงใจกาหนดจงใจหาความเข้าใจจึงมีผลไม่เท่ากันเมื่อมีผลไม่เท่ากันแล้วการจะนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ก็ใช้ได้ไม่เท่ากันนั่นคือสิ่งที่เป็นวงจรคือเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันไป และสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอยู่ในกฎของสิ่งที่ท่านใช้คําโดยสรุปว่าอิทัปปเจตาเกิดเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่สิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้ไม่เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับก็ทํานองฝนตกฟ้าร้องแดดออกเป็นต้นนั่นเองหรือว่ารับประทานอาหารความอิ่มอิ่มเป็นต้นก็เหมือนกันล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการทีนี้เมื่อมองให้เห็นเป็นกระบวนการได้ เราจะมองเห็นถึงเอกภาพของธรรมะที่เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจะทรงแสดงไว้อย่างไรจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ตแตกต่างกันบ้างในด้านโขขารซึ่งใช้เพื่อเป็นสื่อความหมายให้คนฟังในขณะนั้นๆเกิดความเข้าใจเท่า น, น, น, นั้นเองประเด็นที่ควรกำหนดหมายไว้ในพระยานข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของอาสวักยาน แต่แก่พระยานที่ทําให้อาศวะคือกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้ทํากรรมได้หมดไปเพิ่เมื่อกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมหมดกิเลสกรมมันก็หมดตามไปด้วยเมื่อกำมหมดกิเลสหมดทั้งกิเลส ท, ทั้งกา ร, รมหมดได้จะเอาอะไรไปสร้างพบสร้างชาติได้อีกทีนี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้ามีพบมีชาติอีกพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายไป แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าความเชื่อถือของคนในปัจจุบันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะเป็นความความเจริญก้าวหน้าพัฒนาการทางสายพระพุทธศาสนาโดยตรงแต่ก็กลับไปเข้าในรูปแบบความคิดของพราหมณ์ซึ่งถือว่ามีปรามาตตามันหรือพรหมมันอยู่สูงสุดดังความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ในสวงสรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือภพใดภพหนึ่งหรือภาวะใดภาวะหนึ่งจึงยังมีอยู่แล้วก็มีอยู่แทร่หลาย เดลืมคิดถึงกฎของความจริงไปว่าถ้ายังมีภพก็ต้องมีชาติมีชาติก็ต้องมีชารามีมรณะในช่วงนั้นก็มีโสกภพเรเทวทุกขโภมนัตเป็นต้นเยี่ยงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพราะมีใจเป็นตัวถือครองก็จะมีการกําหนดอารมณ์ไปในลักษณะต่างๆ่างนั้นภาวะเหล่านั้นที่จริงมันเป็นผลเกิดสืบเนื่องมาจากกิเลสที่เกิดสืบเนื่องมาจากอาสวะเมื่อกิเลสอาสวะถูกทําลายไปกระบวนการทั้งกระบวนการต้องล้ม คือเดินไม่ได้ค่ะกับรถไฟทั้งกระบวนที่ถอดหัวรถจักรออกไปแล้วรถไฟมันก็ต้องเดินไม่ได้เรื่องของสังสารวัตรในหลักของพระพุทธศาสนานั้นจึงเกิดสืบเนื่องมาจากอวิชากับตันหาและพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนในลักษณะที่เริ่มต้นมาเให้อป ร, รับความรู้ความเข้าใจโลกอีกด้านหนึ่ง เพราะโลกนั้นส่วนมากจะมองอยู่ด้วยภายใต้อำนาจของอวิชชาคือความมืดบอดอจะมืดบอดในระดับใดก็ตามก็ถือว่ายังมืดบอดอยู่แต่ส่วนความจริงนั้นมันอยู่ด้านอาวิชชาคือความรู้ซึ่งเป็นด้านแสงสว่างโลกมันก็มีมืดมีสว่างอยู่แต่ในท้ากรามความมืดนั้นเองถ้าหากามืดมากจริงๆ ก, ก็มองอะไรไม่เห็นแต่ถ้า แสงสว่างเริ่มปรากฏขึ้นบ้างหรือความมืดลดลงไปมางครั้งพอมองอะไรเห็นแต่การมองในชั้นที่ทรงสอนนั้นต้องการจะถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนออกไปแต่การมองในแนวนี้พึงสังเกตว่าเป็นโบคาในการเทศเฉพาะในที่นี้ทรงสอนให้มองในแนวเป็นของศูนย์คือย่อยออกไปแล้วจะไม่มีอะไรที่เป็นตนได้เป็นของตน ในส่วนรู ป, ปรวัตถุ ก, ก็เป็นการเกาะกลุ่มการของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือธาตุปดยเก่าดินน้ำลมไฟและวิญญาณธาตุคือประกอบด้วยธาตุหประการในร่างกายของเรานั้นถ้าแยกย่อยออกไปแล้วจะไปเจอกับธาตุกจะไปอยู่ในธาตุ 6, กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและในธาตุเหล่านั้นเองเมื่อย่อยออกไปอีกโดยเฉพาะธาตุหานั้นเมื่อย่อยไปอีกมันก็หมด ศูนย์เป็นอนูเป็นปรามโนไปคือแม้แต่ธาตุก็ไม่มีในส่วนวิญญาณธาตุเองก็เกิดขึ้นจากปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งคือไม่ได้เกิดขึ้นตามลําพังตัวเองแต่จะต้องมีปัจจัยมาปรุงแต่งเช่นความรู้รูปหรือจักขุวิญญาณความรู้รู ป, ร ป, รปจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีรูปให้เห็นและอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นได้ในเราเองก็จกักษุประสาทคือประสาทรับรู้รูปจะต้องไม่พิการ จะต้องมีแสงสว่างถึงอยู่ในวิสัยที่จะเห็นรูปได้แม้มีองค์ประกอบถึงสามอย่างเอาก็จริงก็ไม่เห็นเหมือนกันจะต้องมีมนุษยการคือความใส่ใจความสนใจที่จะดูจึงจะรู้รูปนั้นว่าเป็น่างไหในกรณีอื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือด้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเกต็ปักใจจากจากการมองแบบโล ก, โลกจึงมองเป็นตนได้เป็นของตน คือมองในละเกาะแน่นกันหรือเป็นอันหนึ่งเดียวกันที่จริงก็ไม่เป็นอย่างที่เป็นหรืออย่างที่เข้าใจก็คล้ายๆกับว่าเรามองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่มีความสวยงามเรียบราบแล้วก็กลมจะถามว่าจริงๆนั้นทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องของการมองไกลแต่นั้นเองแต่ถ้าถ้าเข้าไปใกล้แล้วก็จะเห็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่มีลักษณะอย่างนั้นอยู่เลย การมองไกลกับการมองใกล้นั้นจึงเป็นตัวกําหนดความแตกต่างกันของสิ่งนั้นแต่ว่าสิ่งนั้นโดยความเป็นจริงก็คือเป็นอย่างที่แกเป็นแกเป็นยังไงแกก็เป็นอย่างนั้นคนมองจากไกลๆอาจจะเห็นอย่างหนึ่งมองใกล้กันไปกว่านั้นอาจจะเห็นอย่างหนึ่งแต่ว่าทรงสอนในที่นี้ทรงสอนทั้งตัวจริงๆของมันเพราะภาวะที่แท้จริงแล้วเนี่ย ไม่มีอะไรเป็นไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเราแต่ให้สอนมองในแง่ศูนย์บางครั้งไม่ได้สอนในแนวนี้อาจจะสอนในแนวที่เรียกว่าเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้สั่งการให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้บางครั้งอาจจะสอนในแนวที่ว่าเราไม่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นอย่างแท้จริง เป็ทรงแสดงว่าบุคคลทั้งหลายได้บ่นเพ้อกันอยู่ว่าทรัพย์ของเราเลือกสวนไรนาของเราโคกระบือของเราบุตรของเราที่ดาของเราอะไรแต่อไรก็เป็นของเรามากมายจะตั้งปัญหาถามันในแง่ของความเป็นจริง้เป็นของเราจริงหรือไม่เป็นของเราในแง่ของการสมมุติเท่านั้นเอง แต่ในแง่ของความจริงที่แท้จริงแล้วจะเห็นว่าทั้งช่วงสั้นช่วงยาวไม่ต้องมองไกลจนถึงกาถ่ายถอนอัตานทิชฌ์คือความเห็นว่าตนได้เป็นของตนออกไปแตเรามองมองในช่วงสั้นๆก็จะเห็นว่าเอาจริงแล้วก็ไม่เป็นของเราจริงในแง่จริงๆนั้นไม่เป็นของเราจริงๆแต่ในแง่สมมติก็ต้องยอมรับในแง่สมมติว่าเป็นของเราเช่นว่าของบางอย่างนั้นผ่านมือเราเร็ว แล้วก็จากไปเร็วมากเนรับประธานอาหารมันก็ผ่านไปเร็วหรือบางทีเงินทองรับจากคนหนึ่งแล้วก็ส่งให้คนหนึ่งไปเลยก็เป็นของเราอยู่เพียงชั่วขณะเท่านั้นและอย่างอื่นที่จริงมันก็เป็นการเหยียดการออกไปเหยียดการออกไปหน่อยหนึ่งคืออย่างมากก็แค่ตายไปเหยียดเราได้แค่ตายแต่นั้นเองแต่ด้วยอํานาจของความหลงไปยึดติดไม่ยอมปล่อยวาง นั้นมีผลกระทบถึงสังสารวัตด้วยเขียนว่าคนคนที่ไม่ยอมปรงให้ตกว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราพอไปยึดไปถือเอาว่าเป็นของเราอย่างที่ท่านเล่าถึงเรื่องเปรตต่างๆที่เกิดเป็นหนูบ้างเกิดเป็นงูเหลือมบ้างเกิดเป็นปูสมข้าวทรัพย์บ้างหรือเกิดเป็นพระภูมิเจ้าที่อยู่ในที่ต่างๆบ้างนั้นแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงเห็นถึงใจที่ยังเกี่ยวเกาะยังไปยึดถือทั้งๆ ท, งที่อยู่คนละมิติคนละภาวะ และตัวเองก็ไม่มีโอกาสจะใช้สอยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเพราะ ท, ทรัพย์สอยทรัพสมบัติระดับมนุษย์โลกไม่ใช่ระดับนั้นแต่ก็ไปยึดไปถือไปครองเอาไว้แทนที่จะปล่อยจะวางจะได้จุติอุบัติในภพที่ประณีตแต่เนื่องจากท่านไปยึดไปจิตไปท่านก็ไม่สามารถที่จะไปได้ข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงเรื่องคนเป็นนั้นมากในสมัยพุทธกาล เรื่องไม่น่าเป็นไปได้แต่ท่านก็ทําจนยุ่งจนได้เห็นว่าพระรูปหนึ่งท่านบําเพ็ญเพียรมาเป็นอย่างดีผ่านขั้นตอนของสมาธิมาอย่างดีแต่ไม่ใช่ถึงกับบรรลุมรรคผลข้อนี้เพิ่งเข้าใจว่าการบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถือว่าเป็นอนิจจต์คือไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะไปกําหนดอะไรลงไปไม่ได้ ว่าเป็นผู้มั่นคงเป็นผู้แนนอนต่อการบังเกิดในพรหมโลกเป็นต้นเพราะแต่จิตแต่ละขณะนั้นเปลี่ยนแปลงได้เช่นคนที่ได้รูปฌานมาแล้วก่อนจะดับจิตรูปฌานอาจเสื่อมก็ได้แต่บางทีไม่ใช่เสื่อมธรรมดาเสื่อมแล้วอาจจะเป็นนึกถึงนรกหรือถึงบาปรกรรมอะไรที่ตนก็ทําไปก็ได้และจะตายไปด้วยจิตที่เศร้าหมองในขณะนั้นก็ได้ อย่างที่ทรงจำแนกรายละเอียดถึงขนาของความคิดแต่ละแต่ละขณะที่กำหนดความแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลเพราะเรื่องขนาของความคิดที่ไม่ยอมปล่อยวางไปยึดไปถือว่าเป็นของเราในที่สุดก็จะทำให้จิตของตัวเองตกคือไปเกาะไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้น เช่นรับสั่งเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งก็ที่จริงก็ไม่ถึงเล่าหรอกเพราะว่าเป็นเหตุเกิดขึ้นในขณะนั้นท่านเย็บจีบอลใหม่มีพระมีพี่สาวเป็นเจ้าภาพมีพระพุทธเจ้ามาช่วยเย็บให้ด้วยทำจีบอลเสร็จมีการเลี้ยงฉลองกันแลวท่านก็ฉันมากเกิดไปอานยอดไม่ทันหมอหนาภาพไปเกิดเสียดายจีบรว่าเย็บมาอย่างดียังไม่เด็วพ แต่ที่จะเหนียวถึงมานต์ิการถึงกรรมาฐานถึงตนเคยกระทำบาเพ็ญมาเป็นเวลานานก็ไม่ได้เหนียวนึกเกิดเสียดายในจีบรก็คือการมฉันกรมฉันพระนิวร น, นั่นเองเป็นความกำหนัดความรักใคร่ความสยดติดความพอใจในวัตถุกรมที่จริงก็มีเพียงผ้าพื้นเดียวแต่สามารถเหนียวจิตใจของบุคคลเอาไว้ คนตายแล้วแทนที่จะไปเกิดด้วยกุศลกรรมซึ่งตนสั่งสมไว้นานกลับไปเกิดด้วยผลของอกุศลกรรมที่เป็นความเอบหมองตั้งใจอนานสายการไม่ยอมปล่อยวางในจีวรซึ่งวันที่จริงช่วงนั้นก็ยังไม่ใช่เป็นของเราในสุดตั้งก็ไปเกิดเป็นเลนอยู่ตั้งเจ็ดวันเพราะตัวการสําคัญจึงอยู่ที่ความยึดติตด้วยความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของเราเป็นเราโดยไม่ยอมปล่อยวางเมื่อถึงคราวที่จะปล่อยวาง ปัญหาความทุกข์ในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโศกราไรลําพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจการพราดพาดจากคนนั้นเป็นทีรักการไม่การต้องอยู่ร่วมกับคนไม่เป็นทิรักเป็นต้นตลอดถึงจิตใจที่รู้สึกจืดชืดต่ออารมณ์ชาเย็นต่ออารมณ์จนถึงกับเศร้าซึมหรือเป็นโรคเฉาอะไรที่พูดกันในปัจจุบันแล้วก็อยู่ที่การไปยึดไปจิต การสอนให้มองปัญหาในแนวนี้พึงสังเกตว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องบรรลุมรรคผลในผ่านเสมอไป แ, แท้จริงแล้วต้องการจะถ่ายถอนความทุกข์และกิเลสที่เกี่ยวกาะจิตใจของบุคคลอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นความสูญเปล่าของความยุติดรลักษณะของการยุติดที่สูญเปล่านั้น ก็ได้ปรารคของท่านท่านอุ ก, กาศเศธฉีซึ่งวันที่จริงท่านติดอยู่อย่างเดียวอย่างอื่นท่านดีหมดทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวคือติดอยู่ในผู้แสดงของท่านซึ่งเป็นผู้จริงผู้แสดงกายกรรมของท่านเป็นพัญญาของท่านต้องก็ติดอยู่ที่คนคนเดียวนี่เองในขณะที่แสดงจยุดนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเห็นว่าองค์นี้ที่จริงเหมือนผลไม้สุข ผลนี้ที่จริงเหมือนผลไม้สุกสามารถทจะปลดลงมาได้ก็รับสั่งเทศต่างๆที่เขาแสดงอย่างนั้นเองบอกขอให้เธอเธอจงปล่อยความอาลัยในการก่อนจงปล่อยความอาลัยความเยื่อใยในการปัจจุบันจงปล่อยความอาลัยความความเยื่อใยการฝ่วยคว้าที่จะมีในอนาคตเมื่อเธอปล่อยได้แล้ว ก็จะข้าไม่เข้าถึงไม่เข้าสู่ชาติและชราชาติชราบรณะอีกต่อไปก้นนี้ท่านสาธาชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าที่จริงเหมือนกันเหมือนกับพระพุทธดรรรัตที่ตรัสแก่ท่านโมกขะระเพียงในใช้โวหารแตกต่างกันเท่านั้นเองในตรงนี้ทรงเอาความทุกข์ในส่วนสภาวะทุกข์ทั้งหมดมาแสดงคือชาติชราบรณะ แต่นนพูดเฉพาะตอนปลายคือตายจะเอาเฉพาะมรณะมาพูดแต่ตัวการใหญ่ที่เป็นเหตุให้ไหม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของชราบรณะด้วยตกกับนาคของความตายก็คือการไม่ยอมปล่อยวางแต่ถามว่าทําไมไม่ยอมปล่อยวางก็ตอบแต่ว่าเพราะใจยังมีอัตตาโนทิชิคื อ, อยึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่าเป็นเราอยู่ตัวการใหญ่จึงคงมาอยู่ในจุดเดิม เกล้าตานทิชิเพราะทําอย่างไรจึงจะให้ปล่อยวางสอนทรงสอนในแนวสูงสุดคือสอนในแนวว่ามันศูนย์คือเรื่องของว่างไม่มีทั้งตนทั้งของตนเป็นองค์ธรรมที่พูดง่ายแต่การจะถ่ายถอนนั้นกลับยากเราะนั้นทำอย่างไงจึงจะสามารถสัมผัสคุณธรรมข้อนี้ในระดับใดระดับหนึ่งได้อย่างน้อยที่สุดคือการครองชีวิตจะไม่หนักจึงเกิดไป ผู้ปฏิบัติก็อาจจะอาศัยในยะของคําว่าปล่อยคําว่าปล่อยความเยื่อใหยความอาไัยนั้นถึงสังเกตว่าเป็นโมหารอีกแล้วเพราะอะไรเพราะในกรณีนี้ท่านอุกกาเสษถีท่านติดอยู่ที่พัญญารูปงามของท่านคนเดียวกันนั้นเองนี่แสดงว่าที่ท่านปล่อยไม่ได้ก็คือยังมีความเยื่อใหยความอาไัยอยู่ในพัญญาแต่จะถามว่าสิ่งที่บุคคลไปยึดนั้นมีอย่างเดียวหรือก็ตอบไม่ใช่ มันมีทั้งเรื่องของความคับแค้นความโกรธความอาฆาตพยาบาทแตบางครั้งอาจจะเป็นความหลงความมวมเมาในสิ่งเหล่านั้นจนไม่ปล่อยวางก็ได้บางครั้งอาจจะปนๆกันทั้งสามอย่างแต่สรุปว่าเป็นสิ่งที่ดึงที่ยึดบุคคลให้ติดอยู่ในสังสารโลกคือความทุกข์ นั้นการปล่อยวางในการอดีตนั้นเราทำอย่างไรจึงจะไม่อย่างน้อยคือไม่สูญเวลาไม่สูญเปล่าของเวลาซึ่งเป็นการการตายอย่างหนึ่งเพราะอยู่อย่างประมาทที่สงใช้คำว่าประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเพราะงั้นการที่บุคคลใช้การเวลาผ่านพ้นไปโดยไม่ประกอบกรณยุิธอะไรใร้เกิดประโยชน์ก็ชื่อว่าเป็นคนตายในแต่ละขณะ ปาหาในอดีตเป็นปนัญหาทางอารมณ์บ้างเป็นปนัญหาทางกิเลสบ้างแต่บางครั้งที่ท่านเรียกสงใช้คำว่าอุปธิอุปธินั้นคือเรื่องที่เป็นเหตุให้ยึดให้ถือเก็บสั่งสมเอาไว้ภายในใจของบุคคลก็ พ, พูดไว้ว่าแต่เราลองเกาะกลุ่มดูว่าจริงๆจะมีอยู่เท่าไหร่ก็จะพบว่าเอาก็จริงแล้วมันจะมีเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ ค, คือกิเลสุรรปทิอุปทิคือกิเลสกามุทปทิอุปทิคือกามแล้ขันธุปฏิอุปทิคือขันธ์ก็จะเกาะกลุ่มกันอย่างนั้นพ่อๆมาเกาะกลุ่มกันอย่างนั้นท่านสาธุชนผู้ศึกษาพิจารณาธรรมะก็จะเห็นว่าอ๋อไม่มีอะไรคือวิชาตันหาอวิชาสังขารวิญญาณ น, นั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าไอ้กิเลสนั้นก็คือวิชา กรรมก็คือสังขารขันก็คือเริ่มมาจากวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนารูปเป็นต้นนั่นเองก็ต้องลงว่ากลับมาที่เดิมอีกตัวการใหญ่จึงมาอยู่ตรงนี้ว่าไอ้ตัวการที่เป็นเหตุหยึดถือนั่นคือกิเลสนั่นเองกิเลสเป็นเหตุหยึดถือบางครั้งยึดถือโดยอํานาจของโมหะบางครั้งยึดถือโดยอํานาจของโทสะกลายเป็นพยาบาทบางครั้งยึดถือโดยอํานาจของราคะกลายเป็นความอาลายัยความเยื่อดใจกังข่อยควะ ปรารถนาที่จะให้สิ่งนั้นมาเพราะนั้นเวลาจะแสดงวิธีแก้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังจะสามารถใช้ข้อไหนแก้ได้ถึามีปัญหาในจุดใดแลาจะใช้ธรรมะข้อไหนก็ไปแก้อย่างในกรณีของจะในกรณีอะไรก็ตามจะต้องใช้ปัญญาเป็นตัวพินิจพิจารณาเพราะการมองโลกในแง่นี้เป็นการมองในแนววิปัสสนา คงทำที่จะใช้นั้นก็คงเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะความเปลี่ยนเหมือนเดิมแต่ว่าสัมปชัญญะหรือปัญญานั้นต้องใช้มากเป็นพิเศษเพราะต้องวิจารณาถึงเรื่องของอารมณ์ น, นั้นเพราะนี้มันสังเกตว่าถ้าบุคคลตั้งคำถามขึ้นมาถามตัวเองและตอบเองให้ได้สักสามสี่คำถามหนึ่งก็พอที่จะใช้ปัญญาตัดกระแสของอารมณ์ที่มีปัญหาบางอย่างลงไปได้อย่างสมมุติว่าคิดเศร้าโศกเสีสรรยใจถึงอารมณ์ ที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าคิดเรื่องอะไรก็จะตอบได้ว่าคิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นถามว่าคิดไปเพื่ออะไรคาตอบเริ่มจะไม่แน่ใจอาจจะออกมาในรูปของความเสียใจความเสียดายด้วยการปรารถนาที่จะให้เกิดกันแล้วแต่ลักษณะการคิดทวงอารมณ์แต่ถ้าเราจะตั้งปัญหาถามอีกครั้งหนึ่งว่าคิดแล้วแก้ไขอะไรได้ไหม เรคิดไปแล้วได้ประโยชน์อะไรบุคคลก็จะได้คําตอบชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจะใช้ประโยชน์ได้ในกรณีที่เป็นบทเรียนเท่านั้นเองเพราะบทเรียนก็คิดผสมผสานกับในปัจจุบันไม่ต้องไปเศร้าโศกไม่ต้องไปบ่นเพือเพื่อพิริพิไรรำพันทั้งสิ่งเหล่านั้นเขีนใช้เป็นบทเรียนในปัจจุบันก็ตัวอย่างใกล้ๆกับที่เราพิมพ์หนังสอือเขียนหนังสือหรืออ่านหนังสือ เราเห็นว่าเช่นสมมติว่าเราพูดถึงคําว่าประเทศไทยสัญญาในอนดีตของเราก็เกิดขึ้นวินิจฉัยได้ว่าประเทศไทยนั้นหมายถึงอะไรบ้างเราใช้สัมพันธ์กับคําว่าประเทศไทยที่เราอ่านในขณะนั้นเองก็ไม่ไปต้องไปบนเพื่อไปห่วงใ ย, ยไปพิรีดีรีไรถึงคําว่าประเทศไทยซึ่งมันผ่านมาแล้วเพราะนั้นท่านนึกมาใช้ควบ ก, กันกับในปัจจุบันโอกาสที่จะสูญเสียเวลาไปกับอดีตมันก็ลดลงไป พอมาถึงเรื่องอนาคตก็ตั้งคำถามในลักษณะนั้นที่ทรงสอนให้ปล่อยวางข้อนี้ไม่ถึงก็ศูนย์หรอกแต่มันหายไปแล้วเฉพาะช่วงนั้นอดีตมันก็ตายไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาก็ถือว่าศูนย์หมดเหมือนกันแต่ไม่ถึงกั็ย่อยในรูปของอนัตตารูปอนัตตานั้นก็ย่อยยากด้วยการมองปัญหาเพียงเท่านี้บุคคลก็จะเห็นว่า ความทุกข์ซึ่งเคยทับทมโดยอาศัยกิเลสเป็นเหตุทยึดเมื่อยึดแล้วก็สร้างกรรมกรรมนั้นก็จะเป็นอกุศลมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนใจทั้งตนแล้วถ้ า, ถ, าถ้าจะถามว่าสิ่งที่เป็นเหตุที่ยึดหรือตัวที่เรายึดคืออะไรเราก็ตอบว่าขันเราเองก็เป็นขันสิ่งที่เราไปยึดก็เป็นขันสิ่งที่เราคว้าก็เป็นขัน สิ่งที่เราแบกอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ก็เป็นขันก็จะมองเห็นว่าทุกข์ขันคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกนี้เพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเป็นมากและสามารถถ่ายถอนความรู้สึกตนก็เกี่ยวเนื่องลงตนให้บาปอนคลายเบาบางลงไปใจก็จะได้สัมผัสความรู้ความสุขตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสุขต่อไป